สิกขาบทวิพังหกร้อยสว่า10วันเป็นอย่างมากคือครอบครองไว้ได้10บวันเป็นอย่างมากที่ชื่อว่าอัตเรกบาทได้แก่บาทที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัลที่ชื่อว่าบาทได้แก่บาทรสองชนิดคือบาทเหล็กและบาทดินเผาขนาดบาทบาทมี3ขนาดคือวงเล็บหนึ่งบาทขนาดใหญ่วงเล็บสองบาทขนาดกลางวงเล็บสบาทขนาดเล็ก ที่ชื่อว่าบาดขนาดใหญ่จุ ข, ข, จข้าสุกจากข้าวสารสองทนาน จ, unseen. จุของเขี้ยวเศษ1ส่วนจุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นที่ชื่อว่าบาดขนาดกลางจุข้าสุกจากข้าวสาร1ทนานจุของเคี้ยวเศษ1 4ส่วนจุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นที่ชื่อว่าบาดขนาดเล็กจุข้าสุกจากข้าวสารครึ่งทนาน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่จุ ก, กับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นบาทมีขนาดใหญ่กว่านั้นเป็นบาทที่ใช้ไม่ได้บาทมีขนาดเล็กกว่านั้นก็เป็นบาทที่ใช้ไม่ได้คำว่าให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอบัตนิสกียปาจิตตีความว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่11บาทใ บ, บนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจาต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย พิกษุพึงสละบาทที่เป็นนิสกีอย่างนี้